ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายฉันทำจากมหาวิทยาลายัยศรีปรทุมในวันนี้คงพูดเรื่องสันเลขสูตรต่อไปเป็นข้อความที่พระพู้มีพรเจ้าทรงแสดงแก่พระหมหาจุนทะซึ่งเป็นน้องของพระสารีบุตรทรงแสดงธรรมะฝ่ายกุศล ที่ทำหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของบุคคลลงไปโดยลำดับแต่ว่าทรงแสดงผลระดับสูงคือระดับอริยมรต์หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเป็นประโสดาบันขึ้นไปพระประเดษจะยกขึ้นมาประรบเป็นอัตวาทะกับโลกกวาตถะคือพูดง่ายว่า เม่อาตาตัวตนที่ทวรกับโลกที่ถาวรยังยืนพระพุทเจ้าก็ทรงแสดงมาโดยลำดับมาถึงชุดต่อไปเนี่ยที่จริงถ้าเรามาององค์ธรรมล้วก็ซ้ำอย่างที่บอกท่านผู้ฟังอยู่เสมอว่าธรรมะที่จริงไม่มีอะไรมากหรอก มันมีกุศลธรรมากุศลธรรมะปยาการธรรมาเท่านั้นเองอมีกุศลมีอกุศลมีกลางกลางเพราะาเรามองโลกเนี่ยโดยเจนว่าวิทยาการเดี๋ยวศึกษากันในปัจจุบันเยอะแยะไปหมดนับกันไม่หวาดไม่ไหวคณะต่างๆในระดับหมหาวิทยาลัยปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกเยอะมากๆ แต่ถ้าเราแบ่งกลุ่มให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นกลุ่มเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติและกลุ่มที่เกี่ยวกับสังคมในเร่างศาสนาเองก็มาเน้นที่กลุ่มของนา ม, มาธรรมซึ่งอันที่จริงถ้าเรามองในแง่ของอราสรสัตม์ก็คือศาสนามาเน้นที่มรรคสัตย์กับสมุทัยสตัต์ ในขณะที่โลกเนี่ยที่ประกอบด้วยดินน้ำลงไฟอากาศก็เป็นทุกขสัตว์อะไรก็ไม่รู้สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามที่ประกอบด้วยดินน้ำลงไฟอากาศก็ถือว่าเป็นทุกขสัตว์ทีนี้ส่วนที่เป็นสังคมก็เป็นอาการของสมุทยศัตร์กับมรรคสัตว์และผลที่เป็นสุขก็ดีเป็นสงบก็ดี เป็นเยือเย็นก็ดีก็เป็นกลุ่มของนิโรธสังก็ระลังกันขึ้นไปจนถึงเป็นนิโรธที่สมบูรณ์แล้วก็มีท่านเดงเพราะตัวนามธรรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่ในขณะที่โลกเขามองเป็นรูปธรรมคือเป็นการมองที่อาการ แต่พระพุทธศาสนาจะมองไปที่รากเง้าวของอาการเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็แสดงอาการด้วยนะฮะอางารย์น้ระดับศีลธรรมจัญญาก็พูดถึงอาการอย่างเช่นสมบุรณ์ว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์เนี่ยที่จริงมันเป็นอาการของกิเลสมีงโมหะหรืออวิชชาอยู่เบื้องหลังคนฆ่าสัตว์เพราะโลภก็ได้เพราะโกร ก, ก็ได้เพราะหลงก็ได้ เพราะไม่จงใจก็ได้แต่เขาไม่ถือว่าฆ่าเท่านั้นเองหรการลักทรัพย์เนี่ยอาจจะโลภ ก, ก็ได้โกรกก็ได้โดยหลงผิดคือเข้าใจผิดก็ได้จนหยิบของก็ไปผิดแต่ก็ไม่ถือว่าลักนะฮะเพราะไม่ได้มีเจตนาเพราะทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากเจตนาคือความจงใจที่เป็นอกุศลถ้าไม่มีความจงใจคนเราก็หยิบของผิดกันได้อนะ จนกระเป๋าเหมือนกันพระจีวรเหมือนกันตากอยู่ที่ราวเดียวกันลมพัดจีวรมันเลื่อนเลื่อนไปจากที่แล้วคนอื่นก็เลื่อนมาอยู่ที่เราแทนแล้วก็หยิบผิดได้ถ้าสีมันเกิดเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครมีเจตนาพฤติาการรมทั้งหมดมันก็ถ้าเรามองแลยก็สั่นสกะก็ดที่จริงมนุษย์มันก็สั่นสก ก็ซ้ำซากอยู่ยงั้นแหละตั้งแต่ไหนเท่ไรปัญหาที่เราแก้ก็เป็นปัญหาซ้ำซากมันไม่เคยมีปัญหาใหม่ถ้าเราดูว่าดีจริงๆโลกมันไม่เคยมีปัญหาใหม่เป็นปัญหาเก่าทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันแตกต่างในเชิงรูปแบบแต่โดยเนื้อหาแล้วก็เหมือนกันยังยกกรณีตัวอย่างนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกแล้วมัจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้เป็นมหายุระสงครามมหาพาละตะยุทธเกล่ากันคนตายเยอะที่ทุ่งกรุเกษตรแต่ถ้าเราถามมามันมีอะไรอะมันประทุทรายต่อทรัพย์ประทุษรายต่อชีวิต มีการโกหกหลอกลวงแล้วก็ล่วงละเมิดในทางเพศแล้วก็เสพสิ่งมึนเมาต่างๆผู้ชนะก็ดื่มฮะผู้แพ้ก็ดื่มดื่มก็ละเจตนากันผู้แพ้ก็กลุ่มก็ดื่มแ ก, มกแ้กลุ่มผู้ชนะก็ดีใจก็ดื่มฉลองโลกมันก็ซ้ำซาก แตว่าเวลาเรามีมองปัญหานี่เราจะมอมักจะมองรุงรังรุงรังจนดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับคนละเรื่องก็ออยัางในกรณีเนี่ยในกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นทางารกคได้คือต้องมองถึงวิธีการถ้าเราพูดถึงสายของวัตถุประมาสูตรที่ว่าไปแล้วก็คือก็าเรียกมารยา มารยาหรือเสแสร้งมันเป็นธิธการอย่างหนึ่งอ่ะเป็นเกมในการต่อสู้ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหมายนะเราจะเห็นว่าเด็กแกต้องการอะไรแล้วก็ไม่ได้ตามต้อการแกก็ร้องไห้การร้องไห้จริงๆตรงนั้นไม่ใช่ร้องไห้อะไรหรอกร้องไห้เรียกความสนใจจากคนอื่นให้มาช่วย ไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่ก็ร้องไห้ภัยคุณปู่คุณย่าจะอยู่ด้วยมาช่วยคล้ายๆกับเป็นสงครามตัวแทนนะนะครับมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนคือถ้าเรามองแล้วเออเนี่ยการกิเลสอะไรเนี่ยการกิเลสอะไราการกิเลสอะไรคือถ้าเรามองกลับไปที่กิเลสแล้วจะไม่ยากเพราะว่าค่อนข้างง่ายะนะคะับค่อนข้างดูง่ายแต่ถามมันเขารับไหมมันก็ไม่รับหรอก มันต้องดูกันยาวๆดูกันยาแล้วจะได้บทสรุปซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะตายไปแล้วได้ทำไปเขาก็พยายามกลบเกิื่อนพยายามปกปิดเพระมารียาแล้วมันก็ต้องป ก, ป, กปิดตลอดลคล้ายๆคนมูสสาวาดอเนี่ยคือโกหกใครไว้อย่างไรแล้วแกโกหกเรื่อยแหละ ไม่ยอมมันแกจับได้เลยแกก็หกไปเรื่อยๆแค่นั้นก็คือมืสาวัดมันไหลลงสู่กระแสของมืสาบัดมืสาวัดไปเรื่อยๆพ อ, อมาลายามันก็มาลายาไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงรูปแบบเพราะวิธีคิดวิธีมองเนี่ยอย่างคนสมัยโบราณนี่เก่ง คือสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยทุกวันมันยังมีหรือเปล่าหนังสือที่เขียนโดยโลบุรีนาำประการลบุรีเป็นนิยาอิงประวัติศาสตร์เป็นนนิยาอิงประวัติศาสตร์น่าศึกษามากน่าอา่านอ่ะเพราะว่ามันมันมียุทธศาสตร์มันมีวุฒยทุทธีมันมีแผนต่างๆมันมีกลวิธีต่างๆในการต่อสู้กันหรือแค่หนังสือของเชื้อลรคโฮมเงี่ย คือวิธีการสืบสวนสอบสวนการติดตามการสังเกตอะไรแต่ไ ร, ราการปฏิปตอเรื่องต่างๆคือมันเสริมความคิดอ่ะแล้วพอเราเจอเหตุการณ์ต่างๆไอ้ความคิดที่เราเก็บสะสมมาไว้สมัยเด็กๆมันก็เกิดมา <S <S โอ้โอเนี่ยมันคล้ายกับอย่างนี้นี่นวะ่ะมันก็เหมือนกันตอนนั้นตอนนั้นเราก็จารายละเอียดไม่ได้แต่เรารู้วันเวรเก่งหรือจะบอก เชนะ่นตัอย่างว่าคราวหนึ่งมีร้านร้านทึ่งอะไรแล้วก็มีคนแสดงความชิ่นชมกันเยอะร้านเนี่ยคือเราพอพอดูวิธีเราก็ขาอ่ะเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ายุทธการเหยียบบ่าเก็บสม้มอยุทธวิธีเหยียบบ่าเก็บสม้มเพื่ออาศัยบ่าคนอื่นเนี่ยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ เพื่อตัวเองคนอื่นลงทุนเดี๋ยวตัวเดีเราได้กําไรอ่ะมันก็เป็นมาลียาเป็นเสศษซางอย่างเงี้ยหรือวิธีการหาเสียงต่างๆที่เขาหานี่ฮะ๋ยวถ้าเราตาอะไรนะอันนี้มันเหมือนตรงนั้นไอ้นี่มันเหมือนตงนั้นนี่เหือนตำนานโดยเฉพาะย น, นี้อุปกิณ์สิบกที่ที่เราพูดไว้ในวัตถุวิมาสูตรแล้วในประสูตรนี้พระเจ้าก็เอามาสแสดงซ้ําแต่สแสดงซ้างําในฐานะเป็นตัวถูกขัดกลาไป กระตับสั่งไว้ในจนตอนต่อไปว่าบุคคลจุนทะผู้ที่ตนจมอยู่ในปรักอันลึกแล้วจะยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่จมอยู่ในปรักอันลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้คือหมายความว่าต่างคนต่างอยู่ในปรักต่างคนต่างอยู่ในโคลนต่างคนตกบ่อมันก็ช่วยกครไม่ได้คนที่ช่วยคนตกบ่อได้ก็คือคนอยู่ข้างบนไม่ได้คนอยู่ข้างล่าง แล้วก็เหมือนอะไรล่ะมันเงินวิธีความคิดของเด็กรุ่นก่อน14ตุลาเนี่ยคายาเดิมได้สังเกตกระแสความคิดของก่อน14ตุลาเนี่ยโดยเห็นว่ากระแสสังคมมันมามาค่อนขั้นแรงที่ลักษณะจะโตเกินวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เด่นมากแล้วก็พิมพ์ซ้าๆหลายครั้งคือโจหน้าฐานนกนางนวลมันก็บินบินบินบินบิ น, บ, นบินขึ้นไม่ได้เล ย, เลยบินสูงบินสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูง ข, ข, ขึ้นไปเรื่อยๆมันก่อให้เกิดอาการทะเยอทยานในกลุ่มของคนทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นคล้ายๆอุดมการณ์ฮะทีนี้มันเป็นอุดมการณ์ในรายราแรกมาเคยไปบรรยายที่มหาวิทยาลยแห่งหนึ่ง กาวามาตอนนั้นแต่มันเสร็จเสร็จสิบสีๆๆล่ลแล้วก็มีคําถามมาเป็นนิดน่ะเป็นๆๆคือดาร์มายาวเลยใช้คําคพูดก็ก็ก้าวร้าวแหละพระขอถามมานาหน่อยได้ไหมบอกสิถามก็ถามได้ก็ไม่ว่าเลยแล้วมีขอ้อแม่นะคือถ้าถามแล้วเนี่ยฉันไม่เจ๊เข้าใจคําถามนี่ยท่านท่านถามกลับได้นะ mm. เดี๋ยวท่านจต้องตอบไปแหละ ก็ต้องลงกนก่อนเสร็จแล้วแกก็บอกว่าเวเนี่ยคนมันถึงแก่ตัวมากคนเราไม่ต้องช่วเหลือคนอื่นเขาเรียกว่าส่วนรวมนิยมกับส่วนตนนิยมไอ้คําว่านิยมตนั้นมาแรงนะวัตถุนิยมจิตนิยมอะไรอะไรกันต่างก็มาส่วนรวมนิยมกับส่วนตนนิยมมันกระแสแรงมากโดยเฉพาะในแวดวงนักศึกษาทํามองคล้ายๆกับตัวเองมีชีวิตที่เป็นอารมค์ขิ เร า, าเป็นลักษณะของม้าเคเก้นอ่อนๆคามมินิตอ่ อ, อนๆสังคมนิยมแต่ว่าที่บอกว่าความคิดที่ไร้รากเนี่ยถ้าคนเราก่อนจะช่วยคนอื่นก่อนเนี่ยก่อนจะช่วยคนอื่นเนี่ยมันต้องช่วยตัวเองได้ก่อนเพราะฉะนั้นประโยคแรกแกกก็ถามก้อนนี้ถามว่าตอนนี้เธอกําลังทำอะไรเนี่ยกำลังเรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนกระบอกปีสามเรียนไปเพื่ออะไร ไปเพื่อชื่อยเหลือสงคมไปใหญ่เลยเป็นนักขยันเลยอย่างเงี่ยไปใหญ่เลยแล้วก็ปล่อยเขาไร่ไปเรื่อยบอกว่าการเรียนเนี่ยการที่เขาเรียนมาตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมมาจนมาถึงระดับมหาวิทยาลายัยตอนนั้นเป็นวิทยาลายัยไม่เป็นมาเป็นมหาวิทยาลายัยเป็นการทําประโยชน์เพื่อตัวเองหรือประโยชน์เพื่อบุคคลอื่น แกนิ่งอบอกก็ลองลองคิดดูแต่ตัวนี้มันเป็นประโยชน์เพื่อตอนเองนะพวกคนเอืเอ่ในใคล้ายๆกับว่าเธอต้องการจะช่วยคนว่ายน้ำเนี่ยเธอต้องว่ายน้ําเป็นหรือตัวเองก่อนหรือว่าลงไปช่วยคนที่ตกน้ําก่อนแกบอกก็ต้องว่ายน้ำเป็นด้วยตัวเองก่อนบอกว่าใช่ไอ้ที่เธอพูดมันถูกแต่ปัญหาลําดับก่อนหลังเนี่ยสำคัญ ประโยชน์ส่วนรวมต้องมากอดประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นเพอร์เตอร์สําหรับคนบางระดับแต่คนบางระดับทําได้คนในบ้านคงแลนี่ทําได้เช่นว่าครูที่จบปริญญาการศึกษาแล้วทําหน้าที่ครูต้องเห็นแก่นักเรียนมากกว่าเห็นแก่ตัวเองอันั่นใช่แต่ทีนี้เรายัางว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องฝึกว่ายน้ําก่อน แล้วฝึกไปไหว้แข็งนะฝึกไปช่วยคนอื่นนะเพราะเรียนหนังสือเพื่อออกไปเป็นครูเพื่อไปช่วยบริการสังคมเพื่อทําประโยชน์แก่ส่วนรวมเนี่ยเราต้องเก่งเราต้องแม่นเลยแล้วก็มีความใจฉ น, นานถ้ามันมันเพิ่มคนตายคนว่ายนะ้ําไม่เป็นไปกระโดดลงช่วยคนตกน้ําเนี่ยคือเพิ่มคนตายมันเป็นคนโง่เลยขยนัน เราซักไปทักมากนะถามกลับถามกลับกลับแล้วสรุปก็สรุปก็กลมบรรยายไปหน่อยหันไปมองไี่ที่อื่นมองหน้านักศึกษาในในจุดตื่นทันก็หลบไปตรงไหนไม่รู้ต่ลงวันนั้นเนี่ยวันสนุกแล้วปัญหาคงเยอะปรากฏว่าได้ตอบข้อเดียวกลับแล้วแล้วก็แล้วก็เพ้อเจอเยอะสนนี้ไอ้นี่ก็คือคือคือลักษณะของของความคิดที่ไร้ร า, รากเนี่ยมันเยอะ เือบางที่เราเห็นทางการสัมภาษณ์ทางการเมืองโศกทางของพักการเมืองอะไรพูดเนี่ยขึ้นพูดได้อ่ะพูดได้ทุกเรื่องเลยเป็นเรื่องที่ผมอธิบายได้พูดอธิพูดได้ทุกเรื่องแต่ว่ามันมันมีรากหรือเปล่ามันไปได้เลยว่าต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงใกลๆใกใครที่อธิบายระบบความดีงามของผมมนิทรู้สึก ประธานาธิบดีเซโกสโลวาเกียก็ว่าบิเด น, นะฮะแล้วท่านถามมาแล้วต่อไปล่ะแล้วต่อไปล่ะติดฮนะไปไม่ได้เพราะจริงๆมันเป็นความเพ้อฝันเป็นลนักษณะเหล่านี้ปรากฏอยู่เยอะในบ้านในเมืองเราที่มันรุงรังอะไรอยู่เยอะยวิธีการของพระพุทธเจ้านะ่ะคือตัดที่ตัวรากงาวมองไปที่สมุทัยสัตว แล้ตัวที่แก้สมุทรไยศาสตร์คือมรคศัตร์ถึงแก้อย่างอื่นไม่ได้หรอกแล้วก็สมุทรไยศาสตร์เดี๋ยเราไม่ได้แก้เองเราเพิ่มปริมาณของมรคศาสตร์ขึ้นทีนี้คนคนคนที่ตกน้ําที่ส่งอุปมาวาอยู่ในปลักนะให้ใช้ก่กว่าปลักก็ได้ลมก็ได้นะเบือกลมก็ได้ก็แล้วแต่จะใช้คือสรุปพวกนี้คือกามคุณภาษาจะเรียกอย่างไงก็ไม่รู้โลกมันเป็นโลค ก, กามคุณ่ กามกคุณก็คือโลกสัมผัสทั้งหมดอันเป็นกามกคุณไม่ใช่การเสพกามคือกามกคุณเพียงอย่างเดียวนะทุกอย่างในโลกเนี้ยเป็นกามกคุณสิ่งที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูลินกายเป็นกามกคุณแม้แต่สิ่งที่เราเหนียวนึกด้วยใจนะก็ส่วนใหญ่คนนึกด้วยกามกคุณเห็นไหมความพยาบาทเนี่ยมันก็เกิดขึ้นติดตัววัตถุกรรมที่เราไม่ชอบ ความโลภนี่เกิดขึ้นในวัตถุกรรมที่เราชอบราคะนี่เกิดที่วัตถุกรรมที่เราชอบโทสะนี่เกิดในวัตถุกรรมที่เราไม่ชอบมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งฟังเราสังเกตว่าเราเร า, เราไม่เคยออกไปจากพวกนี้ได้ก็จบไปใจบิดกมาเล่นลงแล้วนะจบมาชุดหนึ่งปวกปะสม อะไรล่ะตอนตอนนั้นรู้สึกอุทานนี่อุทานเนคุณรกานิกายคือไม่ใช่เล่มมาแต่ว่าเล่มเดิมจะพราะอุทานน่ะคือส่วนอุทานในที่จริงก็มีแปดสิบข้อก็เรียกแต่ว่าเวลาเขาเรียงเนี่ยเขาเรียงเป็นแปดสิบสุดพ้นปลักในะที่เนี่ยคือพวกวัตถุ ก, การมโลกับวัตถุทั้งหลายที่เราจิตเนี่ยเมื่อก่อนดูรายการทางโทรทัศน์ที่เขา โชว์อะไรนาฬิกานาฬิกาอะไรหกสิบกานี่เรือนึงแล้วก็มามองมานานอเอยโลก เ, เราเนี่ยมันมันไม่มีอะไรมันคู่ให้กลัวกับยุ่อ้อยากเออถ้าคุณไม่รีบซื้อนี่จะไม่ได้นะอันนี้มันดีที่สุดเลยในโลกมีเท่านั้นแนะละเนเวนี้มีอยู่สองเรือนสามเรือนอะไรต่าก็จะบอกไป วันทำเศรษฐีเนี่ยแกกลัวจะไม่ได้ครอบครองเพราะเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ซื้ออย่ า, าเพิ่งเล่าเรื่องปากกาของเจ้าคุณรูปหนึ่งอะด้ามหนึ่งหนึ่งแสนนบอกว่าในโลกมีอยู่เท่าไรนนะสามสามด้ามหรืออะไรเนี่ยแต่ท่านก็ซื้อมาได้สองด้าม แล้วก็มาคุยดูก็ออกมาเขียนดูก็ไม่เห็นมีอะไรก็เขียนประกายแถวสองสามบาทห้าบาทนั่นก็สบายกว่าเยอะแต่นี่มันมันมันถูกกระตุ้นมันจมอยู่ในปลักล้มจมลึกลงไปเรื่อยๆคือบางทีเราเห็นว่ามันเหมือนกับโคลนดูดอะปลักเนี่ยเหมือนโคลนดูดมันดูดไปเรื่อยๆแหละติดนี้ติดนั้นติดนนท์ บางทีพระเจ้าทรงอุปมาให้เห็นถึงลิงติดตังคือคือเนี้ภวทุกกาเนี่ยแต่อุปมาให้ลิงติดตังคือลิงเนี่ยก็จะจะส่วนใหญ่ที่ติดตังเนี่ยตังก็คือเป็นเป็นยางเหนียวเหนียวที่ก็ดักไว้ส่วนมากที่จริงเขาก็ดักลิงนะฮะดักลิงลิงก็จะนั่งจะนั่งที่ติดที่ก้นก่อนพอที่ก้นเนี่ยแกจะเอามือแกะ ก็ติดมือติดมือติดนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมือก็ติดแต่ก้มลงกัดก้มลงกัดพราะนุท้าก็ติดที่หน้าติดอกไปไปไปไม่ออกก็จับได้ดิ่งเปเลงติดตังคือบางทีสมชายกลวว่ามันยุ่งเหมือนกับขอดได้ มันยุ่งเมื่อขอได้ที่เราถโยนขึ้นไปแล้วมันตกลงมาแล้วมันยุ่งกันหมดเพาะลักษณะทางอารมณ์ชีจมปลักเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ า, าใครก็ช่วยใครไม่ได้มันต้องอาศัยการช่วยเหลือจากคนอื่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงทำประโยชน์เพื่อปรองเองก่อนหกปีเฉพาะสวงหาทางสัสรู แล้วก่อ น, นั้นก็สมบูรณ์เป็นบารมีมานานในกาเลเฉพาะช่วงที่จะรับพยากร์มันจะเป็นรงแต่ยาเนี่ยก็ใช้เวลาตังสี่กับสมัยกับสมัยแสนกับก็ทําประโยชน์ตนเองมาก่อนทั้งนั้นเพราะในาพุทธคุณมันก็มีทั้งอัตคุณและก็ปริตะคุณในธรรมะคุณเนี่ยมันมันเป็นองค์ธรรมเพราะเป็นนามธรรมแต่ในสังกัคุณนี่เป็นตัวคน ผลสังกัดคุณที่จริงกลุ่มพู้ต่ระสัทต่างหลายญาติโยมทั้งหลา ย, ย, าลายก็อยู่ในกลุ่มสังกัดคุณนั่นแหละมันมีใครนะเขาเขียนบทความมันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าชาวพุทธเนี่ยแม้ตัวเองปฏิบัติไม่ได้แต่ไม่อยากเห็นคนอื่นปฏิบัติอย่างนั้นหมายคามตัวเองแล้วช่วไม่ได้หรอกแต่ไม่อยากเห็นคนอื่นทําชั่ว ตอนถามว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไหมชอบริดหนาทาเล่นคนอื่นไหมชอบออกดอกเบีย้ยเก็บดอกเบีย้ยแพงๆไหมก็มีนะแต่ถ้าลูกข่าวข่าวการขอรับชันไม่ได้พวกเนี้ยเดินมาประท้วงด้วยตัวเองทําไม่เป็นไรแต่คนอื่นทําไม่ได้วันเราสังเกตว่าคนที่โจมตีพระซึ่งมีข่าวเกี่ยวกับศีกาส่วนใหญ่มีครอบครัวนะะ ส่วก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียนอนอยกกู่กับัวกับเมียทุกคืนนะแต่ออกมาด่าพระซึ่งว่าที่จริงเนี่ยท่านก็ไม่ใช่พระแล้วนะถ้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงขนาดนั้นก็ตั้งก็ไม่ใช่พระแล้วเดี๋ยวความเป็นพระหมดไปตั้งแต่เริ่มมีก็ไม่ใช่เพศสัมพันธ์แบบชาวบ้านว่าเรา คือองค์ก้องสีเนี่ยขณะอวัยวะเพศโจดกันเนี่ยท่านปรับมาราชิกแล้วพราชึกก็หมดแต่ความเป็นพระไปแต่ก็ไม่ใช่พระแต่ว่าพระนี่ถูกด่าพระแท้ในฝอยถูกด่าด้วยไอ้คนไม่ใช่พระเนี่ยเดี๋ยวนียพระปลอมทั้งๆ้แกรู้ว่าคนปลอมไม่ใช่พระปลอมคนปลอมบวชเป็นพระแต่แกเรียกว่าพระปลอมและแกด่าพระจะโยโนความผิดให้แก่พระหมด ทั้งๆ ท, ที่ตนเองมีภารากิจที่ต้องปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติมตสมควรแก่สถานะที่ตนเป็นเด็ก็ไม่ปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันก็ด่าคนอื่นที่ไปละเมิดศีลธรรมทีนี้ไอ้ตัวธรรมะเองเนี่ยเราก็ยิงตัวเองก็ไม่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ เดียวติเยียนคนอื่นที่ปฏิบัติไม่ได้และตามปกติถ้าเขาปฏิบัติได้เนี่ยก็ชักจะไม่ค่อยชอบเขานะเพราะคนดีคนเด่นคนดังจึงอยู่ยากติบ้านมาในี่สังเกตอย่างนึงก็คือถามญาติโยมนะว่ามันเป็นยังไงทำไมพวกหนังตะลุงพวกมโนราพวกเพลงบอกเป็นมรสุพื้นบ้านนะ ส่วนมากจะเป็นคนต่างถิ่นมันดังคนในถิ่นนี่นไม่ดังฮะอยู่ในถิ่นนี่นไม่ดังแต่ถ้าไปดังมาจากที่อื่นดังจากที่อื่นแล้วเนี่ยพอกลับมาแล้วก็สังคมยอมรับแล้วแต่นี่คือคือมนุษย์อะ่ะธรรมชาติของสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่คนไทยอะคือสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นเอง พะใกดีกันด่างแลรวจะยิสัยแสดงว่าไอ้ปลักนี่มันจมกันเยอะจมลงไปในปลักเยอะทีนี้ตัวตั ว, ต, วตัวที่เราจมลงไปมันก็ไม่มีอะไรนะฮะคือปลกวัตุกลาเหมือนเดิมทีนี้ก็รับสั่งว่าผู้ที่ตนเองไม่จมอยู่ในปลักอันลึก จะยกขึ้นซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่จมอยู่ในประการลึกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นี่เราเห็นได้ชัดนะฮะว่าคนนึงตกบ่อเนี่ยคนที่ไม่ตกช่วยได้แต่ถ้าไปอยู่ในโคลนท่วมถึงคอด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมันช่วยกันไม่ไหวฮตัวถ้าคนอื่นยื่นเข้าไปช่วยคือนมาจะคนก่อนแล้วคนที่ขึ้นมาเนี่ยอยู่บนบกนี้ช่วยเพื่อนได้ วันเราจะเห็นว่าธรรมะในาศาสนาแต่จงเน้นที่อัตคุณก่อนอัตรประโยชน์ก่อนคือทําประโยชน์ตัวเองให้ได้ก่อนใช่เพื่อที่ทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นประการต่อไปเนี่ยผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกตนยังไม่ได้แนะ น, นําตนยังดับกิเลสไม่ได้ด้วยตน จะฝึกสอนจากแนะนำผู้อื่นจากให้ผู้อื่นดับกิเลส ข, ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้เพลาพระเองเนี่ยจะมีอีกเรื่องในเรื่องต่อ น, นี้คือพระที่มีความเคารพต่อพระสัธรรมนะทะี่เขาจะไม่สอนเองฮะเขาจะไม่สอนเองเขาจะอ้างพระพุทธเจ้าตลอดให้เราสังเกตว่าเช่นอนามาเมงถือมาก โยมอุนาวสุคนกนท่า น, นทันตายไปแล้วเขาบอกว่าเขาพูดให้ฟังนะสมัยนั้นก็เป็นเจ้าคุณก็บอกโยมก็บอกโยมว่าเจ้าคุณสุภวุฒิชอบอ้างพระพุทธเจ้าบอกอ๋อเราจะให้าอ้างใครคือเราบอกตั้งแต่ต้นนะฮะบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาพรนนาศาสาศนธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เรายกบทอุเทศขึ้นเป็นบทตั้งและราออธิบายอาธิบายเฉพาะบทต่างเท่านั้นเองเราไม่สอนนะ้องตีนี้ถ้าสอนเนี่ยเราก็บอกผู้จะสอนว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือไม่อยากที่จะให้คนมานับถือเราคือคนต้องมาดหนักแน่นในพระตรัตรยัยไม่ใช่นับถือปเจกนชนเราเองไม่กีวันเราก็ตายแล้ว แต่ถ้าคนนับถือพระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่ตลอดพระพุทธคุณอยู่ตลอดไปศาสนาก็ดำรงอยู่ตลอดไปเพราะงันอย่างเจ้าคุณทํามบิดอกเจ้าคุณประยุทธ์ก็พูดเนี่ยมาชอบฟังเพราะทัานจะอ้างพระพุทธเจ้าหรือความคิดมันตรงกันนะแล้วก็มาความคิดตรงกันเราก็สื่อสารกันได้เราคนเราถ้าเคารพประสาทธรรมแล้วก็สบาย พระจึงต้องบอกวันนี้พระเจ้าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่เราสอนนะไม่ใช่สอนคําสอนของเราแต่ทีนี้ในกรณีเนี้ยบางทีเนี่ยพระท่านคุยธรรมะกับ <c oughs> กาเลนะธรรมะสากฉาการสนทนาธรรมตามกาเนี่ยเอตมังกัลโมตังเป็นอุดมมงคลก็มีการสนทนากาันพระก็สนทนากันนเี่ยผู้ขังได้บรรลุมรรคผล ผู้ฟังได้บรรลุมากพ้คือเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งคู่นี่เป็นประโสดาบันด้วยกันแต่ในกรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่ใช่มีไม่มีข้อแม่นะฮะพูดถึงว่ามีข้อแม้แต่ยกตัวอย่างว่าสามเณรรูปหนึ่งอุปชายาท่านยังเป็นบุตุชนแต่แตกฉานในธรรมะมากอธิบายธรรมะได้ลึกซึ้งสอนลูกศิษย์ มันเป็นเปลี่ยนบรรลุมรรคผลเป็นพระอาจารย์ไม่รู้อุปชัยยะไม่รู้ว่าลูกศิษย์ที่ตัวเองใช้ยทุกวันเป็นพระอาจารย์ไปใช้พระอาจารย์ก็ไปแล้วแต่กรณี้เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นวินัยกรรมสามเณรหรือพระน้อยพระเล็กพระน้อยที่เป็นพระอาหารย์ก็ต้องดูแลอุปชัยยะอาจารย์ที่เป็นผุุ้ชนอยู่ เป็นภาระหน้าที่ตามพระวินัยทีนี้ก็รับสั่งตรงนี้มันมั น, มนอะไรล่ะคือเป็นการสอนให้รู้เป็นการทำให้ดูเป็นการอยู่ให้เห็นเป็นการเย็นในคขาสัมผัสเพระพระุระระทเจ้าเนยจึงปรากฏการที่อัศจรรย์พุทเจ้ามีพุท ธ, ธานุภาพที่สงบเข้าไปเนี่ยมันเย็น เื่อมาเป็นคนตั้งแต่บวชมาจนเดียวนี้นะจนเดืยวนี้คือซึ้งในตอนก่อนพระพุทธเจ้าจะดสั์รูและตอนสัสรูนะแต่ตอนอยู่ที่บริเวณต้นโพเนี่ยตัว น, นี้จะซึ้งมากมาจนถึงธรรมจากอาทิตยานัทเนี่ยอนัอาทิตย์เนี่ยคือซึ้งแล้วเราเร า, เราก็อดคิดตรง น, นี้ไม่ได้ก็คเคยบรรยายใต้ร่มพระโพธิญาณไว้เป็นเป็นเทพตั้งสามร้อยก้วนสามร้อยกมวน ก็ยังไม่จบอะรู้สึกว่าจะมาถึงแค่อนัตตลักษณ์นัรสุคือมันมีนัยยะที่ลึกซึ้งมากแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับหลักธรรมทั้งหมดในปัจจัยปิกุกเราเห็นว่าร่มประโพธิญาณเนี่ยมันส ง, งบเย็นมากทีนี้คนที่เข้าใกล้เนี่ยเข้าใกล้ร่ม พระบารมีร่มพระ พ, พุทธานุภาพมันสงบเย็นแล้วก็สรงสมบูรณ์นะคือพระพุทธเจา้าเนี่ยคือตามปกติคนแขวงเทศเนี่ยเขาเรียกว่ารูปปัปปามาณิกามันมองที่รูปให้ความน่ากันแก่รูปแล้วก็โคสัปปามาณิกาเนี่ยเป็นเน้นที่เสียงเสียงที่ไปรอ้องแล้วก็ธรรมประปัปมาณิกาธรรมะลึกซึ้งสละสลวย แล้วก็กรูปขับประมาณนี้การพระเจ้าเนี่ยเรียบเรียบง่ายนะฮะเป็นลักษณะเรียบง่ายพระเจ้าท่านสมบูรณ์เปะะ็นมีพลังที่จะดึงจิตคนเข้าให้อยู่กับพระรูปพระสุรเสียงธรรมะแล้วปุกกลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ของรลงคือคนที่ไปอินเดียไปไหว้สังเวียนีตาทุกวันอย่ยังเห็นนะนะยังสัมผาสได้ทุกอย่าง ไม่ว่าที่พระมูละคัรธากุดีที่ตะรนาศที่ภูเขาคิจกูดที่ประเทศตะวันเนี่ยจะลึกมากเขาคิจกูดก็ก็น่าดูนะแต่ที่สาคัญเนี่ยยิ่งคือต้นต้นต้นประสีมาโพต้นประสีมาโพเนี่ยคลาย้คลากๆกับมีพุทธานุภาพอยู่เยอะมาก คือถ้าใครไปนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาชิอยู่ที่นั้นนะแต่ว่าทุกวันคนมันเยอะก็ต่างคนต่างอาไปไวหวพระสวดมนต์นั่งสมาชิกันก็อยู่ที่นั่นก็ทําให้บรรยากาศมันสงบแต่ว่าไม่สงบเพราะคนคนเข้าคนออกอคนไปคนมาพระรัศั n g u l a ผู้ที่ฝึกตนแล้วแนะนําตนเองแล้วสอนตัวเองได้แล้วปู้งแหวสอนตัวเองได้แล้ว ดับกิเลสได้โดยตนเองคือมันเย็นนะเขาสัมผัสเย็นนะเขาได้สัมผัสแล้วก็จากฝึกสอนจากแนะนําผู้อื่นจากให้ผู้อื่นดับกิเลส้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะว่าเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตั้งหลายประสาทิบุตรพระโมคคัลลานะพระอ น, โนโุทรตุเทศคนสําเร็จเยอะพระโมคคัลลานะนี่ เขาเรียกว่าเล่นกับลูกชาวบ้านเป็นคนะือคำสอนนโมบบกุลานั้นส่วนใหญ่นี่จะอยู่ระดับศีลธรรมจัญญาจะอยู่ระดับเขาเรียกว่าวัตยามีกุศลแต่ของภาสาริบุญไปโลกุตระเลยจะลึกซึ้งจะยากมากแต่ท่านผู้ฟังมีปัญบิดก เราลองไปอ่านนะลองไปอ่านในประไตรดิกที่มีปฏิสัมพิทามรกจุนลนิเทศหมานิเทศอะไรเนี่ยเห็นขีดมือของพระสารีบุตรยากก็เน้นกันคนลจุดนะพระโมคคัลลานะเนี่ยของท่านเนี่ยเรื่องกรรมเรื่องกรรมเรื่องโลกสวรรค์เนี่ยจะจะจะเยอะแล้วจากนั้นก็รับสั่ง จะพูว่าดูก่อนจุนธาความไม่คิดเบียดเบียนก็ฉันนั้นแหลย่อมมีไว้สําหรับดับกิเลสของผู้เบียดเบียนทีนี้อย่าลืมว่าไอความคิดเบียดเบียนเนี่ยมันต้องมีผู้ที่เราคิดเบียดเบียนแต่ทีนี้คนที่เข้าตรงเนี้ยท่านไม่มีตัวตนให้ยึดมันก็ไม่มีผู้ที่ท่านจะเบียดเบียน เกิดท่ไม่มีตัวตนอะไรท่าท่านไม่ยึดมั่นในตัวตนอะไ ร, รเห็นเราเห็นว่าคนเราที่มันยุ่งกันมากนี่ยคือมีตัวตนที่แข็งกร้าวเกินไป mm. เมื่อวันวันอะไรวันศุกร์ที่แล้วสิวันศุกร์ที่เก้าอะก็ไปบรรยายพิเศษให้นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตที่ หมอจรอที่คนแกน่เพราะฟังเพื่อเรื่องศีลธรรมกับการแก้ปัญหาสังคมเราก็เห็นว่าเขาก็ระดับหมาบัณฑิตอ่ะแต่เรากลับพูดเรื่องง่า ย, ายอย่ะท่านคิดอ่ะคือบอกว่ามันมันสำคัญว่าถ้าเรายังมีอัตราตัวตนเยอะเนี่ยมันลำบากมันแก้ยาก แม้แต่วิธีคิดวิธีมองวิธีจัดการศึกษาเนี่ยคือทงางศาสนาไนดะ้เรียกร้องมานานแล้ ว, วอย่าทอดทิ้งธรรมนะคุณรู้อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าจิตใจคุณตกต่ำแล้วนี่จะยากมากเลยทีนี้เราไปดูรูปการศึกษามาจนถึงปฏิบัติในเราสังเกตว่า ผ, ผลจากการศึกษาเวนียจิตธรรมตกต่ำแรงขึ้น เราก็นึกภาพไม่ออกว่าคนผู้หญิงอายุสามสิบหกปีเข้าไปแทงเด็กเล็กๆอายุตั้งเด็กเล็กๆนะฮะตั้งสามสี่คนที่โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนะนึกไม่ออกนึกยังไงก็นึกไม่ออกพออ่านแล้วอประวัติเขาก็ไม่ใช่คนโง่คนมีการศึกษาเพราะปัญหาจักรกรรมทั้งหมดมันแรง ก็หมายความยางไงหมายความเราไม่สามารถสื่อสารกันได้ตัวกระทรวงตุลาการเองอัตรามันใหญ่มหาศาลเลยนะลองคุยเขาดูเถอะเวลาคุยเนี่ยเขาก็มักจะเลคเชอร์ผั ง, งนะฮะจนมีอดีตและทีบดีกรมการตัดสนาคนหนึ่งเผื่อท่านเป็นเคยเป็นอาจารย์ชอบพูดที่ไหนก็ชอบเลคเชอร์ ก็มาคุ้นกันมาบอกท่านที่ไปดีเนี่ยดีเยอะนะเก่งมากไอความเรารู้มากแต่เสียอย่างเดียวคิดคนอื่นเป็นนักเรียนหมดเลยเวลาประชุมอะไรก็ชอบเลคเชอร์เจ้าเลคเชอร์พี่เราเห็นว่าประเด็นเนี่ยประเด็นการมีอัตราตัวตนมากมันสามขีมันเกิดยากหละเห็นไหมไอ้สมานฉันที่ว่ามันสมานฉันไม่ได้ อัตราเขื่อนไมเบื่อไม่ไลอย่างนั้นมันมันสบนะบันอาจารย์ไม่ได้ว่ามันต้องลดอัตราตัวเองลงไปทีนี้อัตรายิ่งมากเนี่ยมันมันความไม่เราเป็นเขาพชัดปรากฏชัดเจนขึ้นมาเนี่ยอัตรามันเป็นเราเป็นเขาจนกลายเป็นเขาต้องตายนะเราต้องอยู่เห็นไหมว่า คือบางบางชนิดเนี่ยมันชัดเจนเนี่ยงูเห่ากับพังพอนเนี่ยอัตราตัวตนมันมากเลยเป็นชาติเวรกันเลยมีก็ไม่ตะคลอยอย่างเงี้ยเป็นชาติเวรกันเลยหรือชาติบางชนิดมันเจอกันไม่ได้มลายคากันเลยทั้งคมก็มีลักษณะอย่างนี้อยู่ไม่น้อยเลยคือตัวผู้หญิงสาวตัวความคิดเบ็ดเบียนเนี่ยเกิมาเคยเคยมองนะแต่เราก็ไม่พบเอกสารนะแต่เราคิดตัวเอง พอเราคิดจักสะสมข้อมูลที่เกี่ยวกับเราดูเรื่องสัตว์เรื่องสัตว์ในทะเลทายสัตว์ในทะเลอะไรต่างเราพยายามมองในมิติของธรรมะบอกเอไอการเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นดิรันเลยนะมือสัตว์ในการเบียดเบียนเป็นดิรัน เ, เป็นผู้ล่ากับผู้ถูกลาก่าทุกคนล้วนเป็นผู้ลา่าและทุกคนล้วนถูกลาก่า ไม่แต่ตกเบ็ดเนี่ยเราจะเห็นเาเอาชีวิตคนอื่นมาตกมาออเยเหยื่อมาตกเ บ, บ็ดต่อจะตายกันเป็นแ้าแล้วก็ชื่นชมควาคิดในตอนนี้เพราะฉะเราเห็นว่าการถ้ายังคิดเบียดเบียนเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เบียดเบียนเนี่ยก็มีไว้สำหรับดับกิเลสของผู้เบียดเบียน ไอ้ตัวความไม่เบียดเบียนเนี่ยมเป็นธรรมะไอรลอสังเกตส่งใช้คาว่าความไม่เบียดเบียนคือธรรมะนั้นเองใช้คำว่าความเพราะมันเป็นนามนธรรมนะความละอายต่อบาปความสรุมงกลัวต่อบาปความะระลึกไ ด, ด้ความศรัทธาความเมตตาละไรต่ความแต่ว่าของผู้เบียดเบียนนี่คือคนไอ้ตัวผู้เนี่ยมันเป็นอัตตา อย่าลืมประเด็นประเด็นตั้งตอนตอนต้นมาคืออัตวัฏฐ์ีตัวมีตนรุนแรงแข็งแรงนะฮะคือตอนนี้ก็ลงมาปักได้หลายครั้งแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะความคิดยังเหมือนเดิมบอกว่าถ้าเราลดอัตตาอัตตนิยาไม่ได้อาหารการมังกรอัตอตาตานิยาก็ได้นะคือคือสองคำนี้ใช้แทนกันได้ ถ้าเราลดความเข้มข้นรุนแรงตรงนี้ลงไปไม่ได้นะี่มันเกิดปัญหาที่แก้ยากจำวันก่อนเด็กคนนิมนต์ลงไปสามในวัดพักได้เขาเรียกว่าสาสนาตะพันน่ะแต่ว่ามาไม่ยอมเข้ามาัสยิตเพราะเราไม่มั่นใจอ่ะเขาบอกกับทางราชการว่านักบวชศาสนาอื่นเข้าได้แต่เราไม่มั่นใจอ่ะ ก็ไปรู้กับพระที่คอนแกน่นท่านเคยอยู่ทางปักได้ท่านบอกว่าเข้าไม่ได้นะก็ดีว่าคิดถูกไม่เข้านอกจากไม่เข้ามาริตแล้วไม่เข้าไปในบริเวณรั้วของมัารีตเวยนั่งรออยู่ข้างนอกให้คนอื่นก็เข้าไปแต่เราก็มอง น, ะ น, ออนักบวชฮินดูเออนักบวชฮินดูก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันอันนี้คืออะไรมันเป็นเรเป็นเขาแข็งกร้าวเกินไปอะ หรศาสนาพุทธเราคิดไม่ออกของเราในศาสนาไหนเข้าได้เลยโบสถ์ของเราสูงสุดในวัดเนี่ยโบสถ์เข้าไปเลยเราไม่ได้ว่าอะไรเราเห็นว่าอย่างอย่างเนี้ยอย่างพระปรางวัดอรุณเนี่ยที่จริงคนต่างศาสนาเนี่ยขึ้นไปไหว้ไปดูขึ้นไปดูไปชมเยอะไม่ว่าเลยโบสถ์ปัตตานจามะอะไรอะไรต่างเราไม่ได้ว่าเพราะการมองตัวเนี้ยที่จริงมันมันเป็นการเห็นว่า เรามีอัตาแต่เราก็อันตาไม่แข็งกร้าวอันตาเราไม่แข็งกร้าวเราก็มีการประนีประนอมแล้วก็อดทนเราก็ให้อภัยเราก็รอคอยเราก็วังดีเราไม่อาฆาตพยาบาทเราไม่จงเวรล้างผลนอากจะไปรู้เรื่องพม่าสองรอยกว่าปีมาแล้วมาทำสทงครามกันมันไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้ก็ วิถีของสังคมเราเวลานี้ยมันอย่าลืมมาใกล้ๆจะวนกลับไม่ใช่วนกลับไปสู่ยุคทองนะะเข้าไปสู่วนกลับยุคมืดมันรุนแรงมันน่ากลัวไม่มีที่ปลอดภัยแล้วเราเห็นพระพุทธ ร, รูปถูกเอาแขวนลอยอยู่ที่้าคเหน่ยแขวนหมดเลยนะไม่ใช่องค์เดียวทั้งทําไมต้องแขวนกลัวถูกลัก ไปไปที่จังหวัดน่านไปเห็นพระพุทธรูปอยู่ในกรงเล็บไปตองคับกโอ้สงสารหลวงพ่ออะไรเง้ยางใบธมาเจอที่วัดรวนเองเดี๋ยวนี้ก็ติดคุกรั้รกันรัวถูกก็โมยอ่ะอันนี้คือคือแสดงให้เห็นถึงความตกตามด้านจิตคนมองเห็นแก่ตัวอตามเสื่อมนตาตัวเองไม่คิดหน้าตาคนไม่ไม่คิดถึงโลกถึงถึง สังคมที่เป็นทุนรวมเพื่ความเบียดเบียนเนี่ยที่พระเจ้าทรงแสดงว่าการไม่เบียดเบียนกันคือความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกต้องฟังทังได้เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจยูมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี